ณที่มีกาไรมากหรือว่าการศึกษาวิชาความรู้ผมเองีอิไม่มีโอกาสเท่าพวกท่านในสมัยที่ปฏิบัติมานี่ความรู้ทุกอย่างเรามีครบแต่ขออย่างเดียวว่าให้ท่านปฏิบัติกันให้ครบเท่านั้น แต่ว่าท่านปฏิบัติไม่ครบก็เป็นเกินวิสัยที่ผมจะช่วยท่านให้ดีขึ้นไปได้ในองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศากด์สันดาสสนศ์ทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาค า, าตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยกให้ใครเป็นอะไรต่อไปอะไรได้นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านบอก ให้ทำแล้วก็ทำถ้าทำตามก็มีผลถ้านั่นบอกแล้วไม่ทำตามก็ไม่มีผลดูตัวอย่างพระเทวทัตแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าจะ เ, าเรื่องราวของพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังแล้วก็ดูตัวอย่างอากาสาวกทั้งสองอากาสาวกทั้งสองฟังนิดเดียวเป็นอารหันอากาสาวกก็ฟังไม่ช้านานสายนักก็เป็นก็ได้ทันโลกี ได้ปัญญาสมาบัติแต่อสัยจิตที่เป็นมิถาชาวทิฏฐิเลยกลายโลเวจแปลเวจีไปเป็นนั้นว่าความดีหรือความชั่วไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนจะสอนดีอย่างไหนก็ตามถ้าเราทำชั่วเราก็ดีไม่ได้คนสอนจะเห็นแั่ตัวสักทีนใดก็ตามทีตัวใหญตัวตัวย่างสัญชัยบริพาชก แต่ก็ไม่สามารถจะนำอากาสาวกผู้เป็นคนดีให้ตามไปได้ตอนนี้สุดก็ไปอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรได้พระอาหารหันต์นี่เป็นอนุภาพความดีและความชั่วในอยู่ที่เราเองเราฟังกันแล้วเราปฏิบัติกันแล้วเปล่านี่เป็นเครื่องคิดสําหรับการกําหนดจิตเพื่อความเป็นสมาธิก็สอนกันมาแล้วไม่อยาก รู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกรู้คำภาว น, นวาว่าพุทโธไวเป็นปกติเท่านี้พอพอสำหรับการทรงอารมณ์ของเราให้เป็นสมาธิวันนี้เนื่อนที่เราปฏิบัติสมาธิกันปฏิบัตเิเพื่ออะไรเพื่อตัดกิเลสนี่เราก็เรามาซ้อมใจกันสมมติว่าเราไปพบกิเลสตัวสำคัญ ิเลยตัวนั้นได้เละโทษสเมื่อวันก่อนนี้ผมได้พูดถึงรามซึ่งหวงลูกศิษในเมื่อรู้สิทธรทมของหล่นที่พลาดไปเธอก็เปล่งวาจาถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพุทโทธธรโมโสังโฆเป็นต้นรามหน้ามนเธอรบโกรธโกรธแลด่ า, าว่าหญิงถอย หากกล่าวพันนาคุณงามความดีเขาสมณะโลนไม่เหลือทีในที่สุดท่านราร์มคนนี้ก็ไปโจโจมทุกรานองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ราร์มคณะนี้ยังมีทีการหลายคนเขาจะนำมาเล่าให้ันฟังตามลำดับว่าวองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงโตตอบกรเ ข, า, ขาว่าอย่างไง แต่วันนี้ผมไม่เอาเรื่องของพรร ม, มาพูดเอาเรื่องที่ผมกระทบมาพูดให้ท่านฟังที่มาพูดนี่ไม่ใช่มาโอดสมมติว่าท่านโดนอย่างผมบ้างแต่ความจริงเนี่ยผมโดนมากระบองใส่พร้อมใส่มันก็ไม่หมดในเรื่องอารมณ์กระทบแบบนี้ท่านฟังไปแล้วก็ลองคิดดูด้วย ว่าสมมติว่าท่านเองโดนเข้านะ่ะความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงผมจำเดือนไม่ได้เพราะไม่ได้บันทึกดูเหมือนว่าจะเป็นระยะตอนต้นๆปีเมื่อปีพศ .2517 สสปีนั้นเราก็เริ่มจะทำพระอมโสดก็ใช่แล้วครับต้นปี เพราะเวอากาศยังหนาวหนาวนิดๆที่จะเปลี่ยนเดองกุมภาหรืออะไรมุกรารเลยก็จำไม่ได้อาจารย์วรณีสุนทรเวทกับคณะของท่านมาที่วัดนี้บ่อยๆในการมาวัดนี้ของท่านก็ถูกคณอาจารย์เดิมโกรธเช่นเดียวกับสาวกของ ปริยาของอิตาปริพายกชกแต่แานคนนั้นแหละเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผมก็อยาขอยกไว้ที่อาจารย์กระโดผมไม่เห็นเป็นเพียงท่านเล่ากันให้ฟังนี่เรื่องมาชนกับผมเองบ้างหรือว่าอาจารย์วรณีนี่ถวายที่ไว้แจ่พระชุดหนึ่งที่ครองสามรังสิต ่าเป็นหน้าที่กี่ไร่เนี่ยจำไม่ได้หน้าที่มากแล้วก็กาลังจะสร้างพระอ์โบสถเอาช่างเข็นแปลนเสร็จเอาช่างแล้วก็ช่างไปแล้ววางผังขุดหลุมเะดีรากฐานกําลังจะตอกเข็มแล้วก็มีความประสงค์จะวางสีลาเริก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 ตามที่ทราบมาว่าเป็นนิสิตเกษตรสมเร็จปริญารรญาจากเกษตรเวลาท่านมาหาท่านบอกว่าท่านต้องการปิญญาแต่ผมเองเรื่องัญญาสมาบาาัติใครจะมายุง่งกับผมผมไม่เอาโดยผมไม่ได้เห็นชอบโดย ผมก็คุยท่านฟังว่าท่านต้องการพิญญาก็ปฏิบัติตามนั้นตามแบบฉบับรท่มแบบปกติท่านทำท่าเหมือนว่าจะเรื่อมใสแต่คนอย่างผมนี่ใครจะเลื่อมใสหรือไม่เริ่อมใสผมก็ไม่สนใจถามมาผมก็บอกไปเว น, นั้นว่ามาถึงเวลาที่จะวางศีราเริกผมก็ไม่ทราบเหตุมาก่อน และไป่ได้ทราบทีหลังเขาบอกว่ามีข่าวไปที่นั่นว่าผมกับเจ้ากรมสื่อสารหาอากาศคือเวลานั้นได้แก่พล อ, า, อ, า, อ า, า, า, ากาศตรีหม่อมรศหม่อมราชวังเสริมสุขสวัสดิ์เวลานี้ท่านเป็นพลอากาศโทเป็นเจ้ากรมสื่อสารอาหารจะยกกําลังไปยึดวัดเอามาเป็นไว้ของตอนไม่ต้องคิดข่าวนี้ต้องคิด ทำเหมือนกับว่ามันทําง่ายๆเจ้าของเขาก็มีที่ดินเขาก็มีชนดพระก็มีปกครองผมจะย่อมไปยึดวัดของเขานี่ข่าวล่วงหน้าไปก่อนทขาไม่ทราบว่าข่าวไปจากไหนแต่เนื้อแท้จริงๆท่านภาพนิ ม, มนต์ไปวางศิลาเ ร, เรื่องนี้สนุกคุณเพราะคุณฟังกันแล้วก็ทํากำลังใจให้ดีนะ ลองคิดว่าถ้าถูกเขาแบบนั้นบ้างควรจะวางใจแบบไหนนี่ไม่ใช่พรามหงสิทธิ์ใช้ใช้เป็นพรามหงส์สมบัติด้วยเมื่อเวลาไปถึงตอนเช้าผมก็แปลกใจที่มีนิสิตนะักศึกษาขอกเกษตรเป็นกลุ่มใหญ่ยืนอยู่หน้าทางมีวิทยุติดต่อกันผมในอยู่ไกลฟังไม่รู้เรื่อง ผมก็เดินด้วยขึ้นไปตามเรื่องมีคนนาแต่ที่คนที่อยู่ ใ, ใกล้กับนิสิทตนักศึกษาพวกเกษตรเขมาไล่ฟังว่าผมกับเงจะกรมสื่อสารทหารกับคณะเดินลงไปเขาเ้าเขตชาววิทยุถามกันไปว่าเวลานี้พระมหาวิระมาแล้วจะอนุญาตให้ยอมให้เข้าหรือไม่ยอมให้เข้าแต่ความจริงก็ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเขายอมแล้วไม่ยอมก็ม มันเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าคงได้รับคำตอบมาจากถนนบอกว่ายอมให้เขา้าเมื่อยอมให้เข้าไปแล้วยอมหรือไม่ยอมก็ไม่มีใครก็มาห้ามผมผมก็เดินไปตามคนเขานำเมื่อเข้าไปถึงข้างในแล้วก็มีอาการแปลกและผมก็มองดยเฉย เหมือนกับว่าไม่มีใครเขาสนใจเจ้าภาพเองเนี่ยให้เงินตั้งสิบล้านเป็นมูลนิธิและบริจากที่เป็นแลบริจารที่นับราคาหลายล้านและให้เงินอีหลายล้านในการก่อสร้างกำลังจะตอกเข็มทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ไม่ได้สนใจนของก็แปลกไปเกือบจะหาที่นั่งจะไม่ได้เวลานั้น เจ้าคุณวัดปากน้ำภาษีจเจริญปัจจุบันเจ้คุณเจ้าวาดพระที่นั่นก็มาจากวัดปากน้ำภาษีจเจริญแล้วท่านเป็นเจ้าวาดด้วยกําลังเป็นเจ้าน้าตัวการภาคภาษีจเจริญด้วยเป็นเจ้าหน้าตัวการภาคสามและตอนนี้เขาไปย้ายไปอยู่ภาษีห้าแล้วถ้ามาหน่าสวดมนต์อันดับแรก ที่เราพวกเราเข้าไปกันก็เกือบจะหาที่นั่งไม่ได้เป็นอันดับแรกในระยะต่อมาพระยาคุณท่านก็บอกนิมนต์ธรรมหานิมนต์นั่งที่นี่ที่เขารับมาสดมนด้วยกันท่านก็กรยับที่ให้ในฐานะที่ผลอาวสโสมากกว่าท่านคนเกาหลีกับท่านว่าเขาว่ า, มน า, น ด, มาดมนมนเข้มาสดมนเข้ามาจํำเป็นหรอกครับพขาก็นั่งตามที่ที่เขาจัดให้ ต่อจากนั้นไปเรื่องมันเกิดโอรพ่อกันขึ้นเป็นนั้นว่าพระที่ที่เจ้าภาพยกที่ให้ตั้งท่าตั้งท่าพิเศษเมื่อว่าคอยมาทำเงินขายเงก่อนอันดับแรกเขาเชิญพวกพวกเดียวกันมาประชุมตอวหน้าเจ้าคุณ แล้วเธอเชิญท่านจะภาพท่านจะของที่ผู้ให้เงิ น, นในการก่อสร้างนับล้านและก็จะให้เงินเป็นโมนิที่อีกสิบล้านเพื่ออาจารย์วรณีส้นธรเวทถ้าไปร่วมไปชุมกันตัวหน้าแข่ทั้งหมดอันดับแรกเพ่อยื่นเงินขายว่าอันขอให้พระองค์นี้ได้เป็นเจ้าวาดปณิ กับท่านอย่ยงคุณใหญ่ที่อาจารย์วรณีบรอาจารย์วรณีสุนทรเวทผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะสํานักนี้เขาสอนพระกรรมฐานกันนี่ทําไมอยากเป็นเจ้าวาดเป็นหรือไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แล้วอาจารย์สุนทรอาจารย์วรณีสุนทรเวทก็บอกไม่เป็นไรท่านท่านต้องการเป็นเจ้าวาดก็สแล้วแต่แต่คุณใหญ่ไอ้องหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้อง เมื่อตกลงแล้วก็ต้องให้อัตา ม, มาเป็นรองเจ้าวาดนี่ยืนย่นเงื่อนไขกันแปลกก็อ้อการอย่างนี้พระในพระพุทธศาสนาเขาไม่ทำกันผมก็นั่งดูอาจารย์วรณีสุนทรเวชท่านก็ไม่คัดค้านเพก็ตามใจวัดนี้ฉันถวายพระพุทธศาสนาก็สุดแล้วแต่ท่านจะคุณใหญ่ถ้าว่าผมฟังไม่ผิดนะผมนั่งไกล แล้วต่อไปก็มีการวางเงื่อนไขอีกเพราะว่าการวางศิลาฤกษ์วันนี้ต้องไม่ใช่มหาวิระวางขอให้ท่านเจ้าคุณใหญ่วางศิลาฤกษ์ตอนนี้รู้สึกว่าคณะของทายาภาพจะหน้าไม่ดีแต่ผมก็บอกไปบอกว่าเรื่องการวางศิลาฤกษ์ไฟสําคัญมาวันนี้ทายาภาพมีมนมาแต่ได้ว่าถ้าไม่ให้วางก็ไม่เป็นไรหรอก ผมก็ไม่อยากวางไอวางชีราเรื่อยก็ห็นไม่วางๆผมไม่เห็นมันมีอะไรแต่ว่าขนาดนั้นคนที่ฟังฟังกันเขารู้สึกว่าเขาสางสารผมแต่ผมไม่เคยสงสารตัวเขาเองเลยเพราะว่าไอเรื่องท่านหลายเหล่านี้พุ่นโดนมันหนักมันหนักกว่านั้นแต่ไม่ที่น่าแปลกใจว่าท่านเสด็จพระกรรมฐานท่านยังไง ทำไมทั้งแ บ, บกกิีเลตต้องการลาบต้องการยศกันนี่ผมนั่งปรงธรรมสงเวชของผมคนเดียวแต่ว่าคนอื่นนั่นเขาสงสารผมเขาคงอยากสงสารในฐานะที่ผมนถูกนี่มลไปให้วางศีลาเลิศแต่ว่าทางวัดนั้นไม่ต้องการให้ผมวางศีราเลิศ แต่ให้คนอื่นเขาสงสารผมผมกลับไปสงสารพระที่วัดนั้นและท่านอย่าคุณวัดเจ้าวัดวัดภาสีวัดตาอน้ำภาษีเเลยเพราะท่านในฐานะเป็นผู้ใหญ่ท่านคงจะอายมากแล้วผมก็ไปสงสารเจ้าเจ้าภาพวพาะเจ้าภาพทุ่มเทเนื้อที่ไปมันผมเข้าใจว่าถึงร้อยไรนะครับ ผมจําไม่ได้หน้าที่มากจริงๆในระทุ่มเทเงินก่อสร้างเอาไปเป็นลานแล้วพันนั้นแต่ในว่าพระที่ให้ไปอยู่ที่นั่นกลับเป็นฝ่ายยื่นโนติจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านบอกว่าถ้าวัดนี้ต้องยอมให้องค์นั้นเป็นเจ้าวาดแล้วต้องยอมให้องนี้เป็นรองเจ้าวาดอันนี้ผมอายเขาบ้านเขาเกืบตาย เพราว่าชาวบ้านที่นั่งอยู่ที่นั่นนับร้อยผมรู้สึกอายจริงๆเครับไม่ได้อายชาวบ้านเขาในฐานะที่ผมไม่ได้วาศีราเลยอันนี้ไม่เกี่ยวผมไม่มีความรู้สึกอายเขาไม่คิดเลยว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อายแทนท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้ำประสีเริญ ที่ลูกศิษย์ของท่านสามารถยื่นโนติจาท่านแบบนั้นและก็อายแทนท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์ว่าท่านบริจาคทรัพย์เนื้อที่มากราคานับล้านและก็บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างไปแล้วนับล้านกําลังจะสร้างพระอุโบสถอีกระคานับล้านในช่างก็วางผังแล้วกาลังจะตอกเข็ม มาเกิดยุ่งกันตอนนี้แม้แต่ข้าวพวกเราก็เกิดจะไม่มีจริงกันนี่สมมติว่าเป็นกำลังใจของท่านถ้าไปโดนข้าแบบนี้ท่านจะนึกโกรธใครสักคนไหมนี่เอาเรื่องจริงๆกันมาพูด่ะท่านนันหลายที่กำลังศึกษาอยลานี้ก็เหมือนกันต้องเตรียมตัวเตรียมเตรียมใจในการอย่างนี้ไว้ด้วย การที่เราถูกเชิญไปในที่ต่างๆและต้องระมัดระวังไว้ว่าดีไม่ดีงานที่เขามอบหมายให้เราเนะี่ยมันอาจจะกลายเป็นกระเพื่มแด้ผมโดนมาซะเยอะมันช้ำโดนมาจนหนังชาชาจนถึงที่สุดจนเวลานี้ไม่ชาแนละ้วมันหมดความรู้สึกเมื่อ อาการอย่างนี้ปรากฏผมก็สงสารแทนที่ผมจะ า, ายเนะี่ยผมไม่อายใครเลยท่านรู้สึกไหมว่าผมหน้าด่านมากใจของผมในลานั้นมันส บ, สบายๆุกคนไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วกลับไปสงสารคนอื่นคนอื่นเขาสงสารผมคงจะสงสารในฐานาวะว่าเสียหน้าที่เขาไม่ยอมให้วางเศิละเลย แต่ท่านเยาภาพก็พยายามในท่านสุดท้ายก็ให้มัเอาไปชมน้ำมนต์แล้วก็โปรยเขาต่อดอกไม้ผมสงสารท่านเยาภาพแล้วก็ไปสงสารพระชุดนั้นสงสารท่านเจียวคุณใหญ่วัดปากน้ำภาษีจเจริญมื่มองดูหน้าท่านแล้วรู้สึกว่าท่านสลดมากเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านคาดไม่ถึงว่ารูฤกษ์ของท่านจะทําอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ แต่ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างผมรู้ไม่เนี่ยผมไม่ทราบนม่ผมคิดเอาเองแล้วผลงานต่อไปที่มันจะขึ้นเกิดขึ้นกับพระประเภทนั้นนั่นก็คือเจ้าภาพจะทำการสร้างโบสถ์ราคาเป็นล้านสร้างก็ไปแล้วเข้มขมไปแล้วเสร็จงานสร้างโบสถ์หลังนั้นถูกงด คือไม่มีการสร้างต่อไปแก้วภาพท่านตัดสินใจว่าส่วนใดที่เสียเสียแล้วเสียไปแต่ของใหม่ไม่ให้ก็คือบอกเลิกการก่อสร้างพระอุโบสถกับแฉงและในการต่อมาทราบว่าเงินบุญนิทีสิบล้านที่ท่านจะให้ท่านก็ถอนใจไม่ยอมให้เสียเลย เอาเงินจำนวนนี้ไปก่อสร้างทาวเร์วัตถุใหม่ที่อื่นคือเป็นสลากา ร, ปรเปลี่ยนที่วัดป่าน้ําภาษีเยเลนกับวัดอะไรอีกวัดหนึ่งที่จะคุณวิเชียนไปเป็นเจ้าวาดเพราอนั้นว่าพราะคณะนั้นที่มีความมุ่งมา่อยากจะได้ทรัพย์ถินประมาณถึงสิบล้านบา ท, ทโมนิทิกก็ไม่ได้แต่ก่อนที่ไม่ได้นั่นน่ะมันมีอย่างนี้อีก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 จะขอย้ายจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนอนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังต้องการแบบนั้นมาทราบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งบอกว่าถ้าย้ายเงินจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนนมันได้อะไรค่าเขาไม่เช่นค่ารางวัลอะไรก็ไม่ทราบนันได้เงินเป็นกรณีพิเศษก็ยอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เป็นอันว่า เงินสิบล้านท่านยาภาพก็ไม่ให้ในการก่อสร้างต่อไปท่านยาภาพท่านก็ไม่แางและเจ้าภาพก็ตัดย่ายขาดมิดจฉาคณะนั้นทั้งหมดส่วนที่เสียไปแล้วกี่ล้านบอกให้ผ่านไปแต่เรื่องใหม่ไม่มีในเรื่องอย่างนี้นี่เราพูดกันถึงเรื่องของโทสะผมคิดว่าถ้าท่านนั้นหลไปโดนเข้าแบบผม ดีไม่ดีท่านจะมานึกคิดว่าโอ้ที่เขานี่มนต์เรามาในการวางศิลาฤกษ์ถ้าเราไม่มาเราก็จะอายแล้วก็จะสีกํำลังใจดีไม่ดีจะไปโกรธเขาถ้าการอย่างนั้นปรากฏแล้วก็ทำใจช้สบายแล้วก็จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป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 เราก็ควรจะบารอบประธรรมขระองค์สัง่งทรสมเด็จตุสมมาสมุทัเจ้าว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงวัตถุก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็ควรจะเกิดสังเวชใหญ่สงสายเขาว่วาเขาผู้นั้นไม่น่าจะเสียสัจจะเขาผู้นั้นไม่น่าจะ ทิงจริยาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็การอยากเป็นเจ้าวาดการอยากเป็นรองเจ้าวาดนี่มันเป็นเรื่องของความโลภในยศมันไม่ใช่ของดีแลวอีกรืการหนึ่งการไปยืนหยัดให้บังคับในการสร้างพระมโส์เป็นไปไม่ได้นี่เป็นการทำลายทรัพย์สินของพระพุทธเจ้า ทำลายศรัทธาล้วควร่าสงสารเขาว่าเขาทําตัวผิดไม่ใช่สงสารเราแล้วก็ควรอ่าสงสารท่านเจ้าของทรัพย์ว่าพระผมถีไปกรรมอะไรของท่านหนอที่ไปเจอเอัพระจังไรแบบนี้เขาที่เพื่อนว่าทาให้ใจท่านเศร้าหมองจะ ต, ต่อมาผมก็พยายาม ร, าระบาลมให้ใจท่านสบาย ในคณยาสงสารท่านผู้ใหญ่ท่านที่เป็นผู้ปกครองที่ลทธิศิลป์งท่านหักหน้าท่านไม่ใช่หักหน้าเราทำเอาท่านเสียกำลังใจจนเห็นชัดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทลายตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตร่เล่าเรื่ความโกรธผมเ่อเอาเรื่องความโกรธ ม, ม, ม, มาพูด ว่าพระพุทธเจ้าถูกตามว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธแต่ความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าวันนั้นไม่ทราบกำลังใจมันเป็นยังไงมันเฉยๆปกติไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเมื่อเขาค้านผมก็มีใจบอกไม่ต้องทำงานะอีกตอนที่เขาไปยื้อแย่งตำแหน่งเจ้าวาดรองเจ้าวาดกนณสิผมอายแทนแนักเกินในฐานะที่เป็นพระเหมือนกัน ในเราสงสารเจ้าภาพท่านว่าท่านลงทุนขนาดนั้นยังไม่มีคนรักท่านมีคนทำลายท่านสงสารท่านเจ้าวาดวัดบางน้ำบาษีเจริญในฐานะที่เป็นเจ้าวาดด้วยเป็นพระราชาคณะด้วยเป็นเจ้าหน้าตัวการาพระด้วยแต่รู้สีกของท่นทานไปทำอย่างนั้นน่าสงสารมากพ้าะต่อทีนี้ไปเขาบัรดาท่านน่าร้ายจพยายามรักษากำลังใจเตรียมตัวเตรียมใจว่าอย่างนี้ ว่าถูกใครเขาขาดคอขาดใจที่ไม่ประกอบไม่ได้เหตุผลก็ยังทำอย่าทำกําใจกําลังใจของตนให้มันขึ้นขึ้นในโลกวางใจไปโอเบคาที่เรียกว่าสังขารโอเบคาหย่านจิตใจของท่านจะมีความสุขเพราะถ้าเราโกรธใจมันทุกข์ใจแม้วร้อนถ้าเราไม่โกรธใจสบายเวลานี้มองในเวลาก็เลยไปแล้วตอนนี้ไปขอท่านัหลายตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้มัน พยายามนักษากำลังสมาธิระเบิที่ปัศนาญาณตามอธิยาสายเรื่องก่าจะถึงการที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี